Thank mm -hmm. you. Mm -hmm. ทำกันเพื่อให้เป็นส่วนประกอบกับการศึกษาปฏิบัติเวลาเราปฏิบัติมันเกิดอะไรขึ้นมันไม่เกิดอะไรขึ้นเราทาอย่างไรอาศัยการได้ยินได้ฟังเป็นการช่วยตัวเองฝึกหัดตัวเองหาแนวร่วมหลายหลายอย่างเพื่อให้สิ่งต่างๆมันคล่องตัวเวลาที่เรามา จเจริญสติถ้าปฏิบัติก็คือเรื่องการจเจริญสติสัมปชัญญะถ้าปฏิบัติก็เอาสติมาตั้งไว้ที่กายจะาไปควบคุมคจิตใจเอาเที่งไว้ก่อนเรื่องจิตเรื่องใจว่าแต่เราไม่สติมากําหนดอยู่ที่กายตั้งไว้ที่กายให้มันสมกับชื่อว่าเป็นวิชากรรมฐานมีที่ตั้ง มีการกระทําเอากายเป็นการบุกเบิกมีสติไปกับกายซะก่อนออมีสติไปอยู่กับกายแล้วเรื่องของจิตมันก็ค่อยเป็นค่อยไปแม้มันจะเกิดอะไรแทรกขึ้นมาแซงขึ้นมาเกี่ยวกับจิตก็อย่าไปยุ่งกับมันแล้วกลับมาตั้งไว้ที่กายลู่กายไปก่อนอย่าผลผันผันแล่น ค่อยเว้นค่อยไปอย่าลุกลรี่ลุกลนไม่คิดสั่งงานสั่งการตะพฤตตะพืะพ้ไม่คิดที่มันคิดโอบหิ้วไปมันก็ไม่ได้สมัรไปเราจึงต้องพึกอัดที่กายไปก่อนแม้นมันจะคิดเรื่องใดบางทีมันเอายากเอาง่ายมาใจเอาผิดเอาถูกเอาชอบเอาไม่ชอบมาใส่ เอาน่ละเราจะได้เห็นจะได้เห็นเงื่อนเห็นไข่บางทีไม่ต้องไปยุ่งกับมันมอมยากไม่ต้องไปเป็นผู้ยากเห็นมันยากมันง่ายไปบ้าทั้งไว้ที่กายรู้สึกตัวรู้สึกตัวไปก่อนวิธีปฏิบัติเหมือนเราเดินพอดงเข้าป่าเหมือนเข้าป่ามันก็ต้องไม่ป่าดูจากโลดดูจากลีก แต่ต้องเดินไปแตผพอเตผือแล้เลี้ยวไปบ้างหลบหลีกไปบ้างมันจังเกเป็นการเดินถ้าไปเจออะไรเขาก็หยุดซะเจออกาะเจอน้าก็หยุดซะไปไม่ได้ไปไม่ได้มันไม่ใช่มันมีทางถ้าเราเพียรพยายามพอข้ามก็ข้ามพอหลอดก็ลอดพอหลีกก็หลีก ว่แต่ก้าวไปเด้เอยความรู้สึกตัวก็เหมือนกับไปเรื่อยๆรู้สึกตัวไปเรื่อยๆความหลงก็หลบไปเรื่อยๆไปหาความรู้เรื่อยๆอะไรที่มันขวงหน้าขวงตาที่ไม่ใช่ความรู้เราก็มีหลักอยู่แล้วว่าหลบไป เ, เ ร, รื่อยๆการรู้สึกตัวไปเรื่อยๆการรู้สึกตัวไปเรื่อยๆการกำหนดการเคลื่อนการไหวช่วยตัวเองไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเะก่อนไ มันจะคล่องอย่างนี้พอมันคล่องตัวมันไปไมีอะไรเกิดขึ้นมันรู้ไม่อะไรเกิดขึ้นมันรู้สึกตัวนะ่ะไปแล้วไปแล้วคัามยาเกิดขึ้นก็รู้สึกตัวความทุกข์เกิดขึ้นก็รู้สึกตัวคัาหาความบ่นความหนาความปวดความเมื่อยความอะไรต่างๆมันเกิดขึ้นว่ารู้สึกตัวไปรู้สึกตัวไปเอาง่ายๆไปก่อนเบาๆไปก่อนเดีย๋ยวเพิ่งไปแก้อะไร อย่าไปแก้ความยากอย่าไปแก้ความง่ายอย่าไปอยากได้ความง่ายอย่าให้ความยากเป็นใหญ่อย่าให้ความง่ายเป็นใหญ่เบาไปก่อนรู้ไปก่อนรู้ไปก่อนเหมือนรถที่มันติดหนักเข้าเกลียเข้าเกลียรหนักความหนักมันเป็นเรื่องเบามันทําให้เบามันทําให้ไปได้ชีวิตเราก็มีอย่างนั้นเหมือนกันความรู้สึกตัวมันพาให้เบา ความยาความง่ายความชอบความไม่ชอบมันจะหอบเิ้วเราไปมันจะลงไปทำให้หนักแล้วไปเอาแบบนั้นมันหนักโดยเฉพาะไปเล่นกับคิดความคิดต่างๆมันขวงมันกัน้นทำให้เกิดการขวงกัน้นเป็นเรื่องคิดเราเรียกว่าใอ้บอนและทำเหมือนภูเขาแล้วมันก็เปลี่ยนมันก็พยายามที่จะขวงกั้นไว้จริง มันเป็นตรงกันข้ามความงงเหงาหอนอนควา ม, มเมลงสงสัยความคิดพุ่งสานใจเล่าใจล่อนพยาบาทราคะเกิดขึ้นมันขวงแล้วมันก็ไม่มีอะไรแต่จริงจริงแล้วความยากมันก็อาจจะกลายเป็นความง่ายปัญหาอาจจะกลายเป็นปัญญาความกลัวอาจจะกลายเป็นความไม่กลัวความทุกข์อาจจะกลายเป็นความไม่ทุก มันก็เป็นไปเองอย่าให้ได้อยู่กับความทุกข์จะให้ไปจบอยู่กับความสุข่าให้ไปจบอยู่กับความ ก, กลัวความกล้าอันนั้นไม่ใช่ชีวิตของเราหรือว่าขวางกันชีวิตของเราจึงเก่งต้องรู้สึกตัวไปเรื่อยๆรู้สึกตัวไปเรื่อยๆอะไรอะไรก็ตามตัวรู้สึกตัวเดี๋ฉเฉลยไปแล้วฉเฉลยไปแล้วพอ ร, รู้สึกตัววัตถุที่รู้ก็ไม่กายอัดตรงนี้อัดตรงนี้ไปก่อน วิธีปฏิบัติความยากก็กลายเป็นความง่ายถ้าแต่เข้าข้างความรู้สึกตัวเอากายมาเจตนากาหนดรู้สึกตัวไปนี่เป็นวิธีปฏิบัติโดนวิธีอย่างอื่นมันก็ค่อยดีไปเองคนที่ใจเล่าใจร้อ น, นก็จะเย็นไปเองคนที่จิตใจกับพึบกับพื้นกัพุดกับเพี้ยดอะไรต่างๆลก ล, ลกรีดโลกรนก็จะชัดเจนไปเอง การฝึกตัวเองก็ต้องฝึกอย่างนั้นอย่าเอาอดื่นมากำหนดกำหนดชีวิตของเราไปเองหัดไปเองเมื่อเราสอนกายอยู่กับกายรู้ที่กายมันก็เป็นเรื่องของจิตนั่นแหละความรู้สึกตัวเมา่รู้ที่ยงกายมันก็สอนจิตโดยตรงหน้าที่โดยตรงมันก็สอนจิตนั่นแหละแต่อย่าไปสอนมันตรงๆมันโดยอ้อมการสอนจิตไม่ใช่ไปห้ามไปชนกับเขาความโกรธก็อดเอา ความกลัวก็อดเอาความหิวก็อดเอาความร้อนความหนาวก็อดเอาสู้เอาเอาจริงๆมันไม่ได้สู้การปฏิบัติธรรมนะมันเป็นการข้ามล่วงการสู้แลยมันเจ็บปวดมันต้องข้ามล่วงไปมันหลงก็รู้เนี่ข้ามไปแล้วข้ามความหลงไปแล้วมันทุกข์ก็รู้มันข้ามความไปแล้วไม่ได้สู้เลย ไม่ถูกอะไรเลยมันไม่ถูกเราความทุกข์มันก็ไม่ถูกเราความหลงก็ไม่ถูกเราความโกรธมันก็ไม่ถูกเราความกลัวมันก็ไม่ถูกเราความร้อนความหนาวความปวดความเมื่อยอะไรอะไรก็ไม่ถูกเราว่าแต่โูกสึกตัวมันเป็นการข้ามล่วงการข้ามล่วงอย่างนี้ท่านเรียกว่าอาเรียมักอาเรียมักมันเป็นตัวปฏิบัติลงไปมันข้ามอะไรได้ผ่านอะไรได้นั่นเรียกว่ามักมันเป็นทางผ่าน มักนะมันเป็นทางผ่านไม่ใช่ทางตันพระพุทธเจ้าพบทางสายที่พบทางเส้นนี้ทางเลิอดของชีวิตที่จะได้ชีวิตแต่แบบนี้มันได้ชีวิตชีวิตแบบนี้มันก็ค่อยค่อยหนีเหนือเกิดเจ็บเจ็บตายไปเองเราต้องปฏิบัติอย่างนี้ วิธีเราก็ไม่ต้องไปค้นนะมันโดยตรงอยู่แล้วพระพุทธเจ้าก็สอนไว้เป็นแผนที่ไม่ต้องไปเปลืองสมองคิดหาแบบใหม่อื่นใดทั้งหมดเอานำมาใช้ลงมาปฏิบัติตั้งไว้ที่กายที่จิตของเราจิตที่ไปตั้งไว้ก็ไม่ใช่จะไปควบคุม เพราะว่าดูจิตดูกายดูจิตดูกายเห็นจิตดูคิดเห็นธรรมหมายถึงการมาเจริญสติมันเห็นจิตในสติดูกายมันจะเห็นจิตชัดเจนเห็นจิตคือเห็นอย่างไรคือเห็นมันสุขมันทุกข์เห็นมันจิตคิดที่เกิดขึ้นกับจิตแต่มันคิดที่ได้เห็นมันกลับมาเห็นจิตดูกายแต่ว่ามันเห็นจิต ื่อมันคิดมันก็เห็นธรรมเทปเป็นธรรมต่มันครอบงอมคือจิตบางทีมันไม่อะไรที่เกิดจากจิตไม่ใช่จิตธรรมชาติที่มันเราเห็นมันเป็นจิตที่ปรุงปรุงเป็นจิตปลอมปอมเป็นจิตหลอกหลอกเป็นความคิดนี่แต่ว่ามันหลอกไม่ได้ตั้งใจสักหน่อยมันหลอกเราเห็นจิตมันก็เห็นธรรมดูคิดมันก็เห็นธรรม ว่าจะไปทําเรื่องนั่นแต่มันเรื่องนั่นมันเกิดขึ้นเรากลับมากลับมาดูี่กายรู้สึกตัวอยู่ที่กายขนเอรีบทขนเอาบบพระต่างๆมาสร้างมาใช้มาตั้งโดยเฉพาะเรื่องของกิจเนี่ยมันหลอกได้สำเร็ดมากมก็หลอกกิจมันก็หลอกได้ทุกบดทุกอย่างสิ่งไหนที่มันเกิดขึ้นกับผิดมันหลอกเก่งแล้วก็ตัวตนทั้งหมดไม่ใช่ดอก มันโกรธก็เป็นผู้โกรธมันหลอกแล้วสําเร็จแล้วมันทุกข์ก็เป็นผู้ทุกข์หลอกแล้วความหลอกของเขาสําเร็จแล้วมันกลัวก็เป็นผู้กลัวมันหลอกแล้วเขาหลอกสําเร็จถ้าอะไรเกิดขึ้นจากกิจถ้าจะไปสู้ตรงนั้นมันมันก็เป็นไปได้ยากไอ้ว่ากลับมากลับมากลับมาตั้งไว้เที่กายกลับมาตั้งไว้เที่กายลู่ที่กายลู่เที่กายพอมันหลอกใจแล้วกลับมาลู่ที่กายไม่สนใจ ตัวลูมัวมันลู่มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเอาไปวัดมันก็หลอกไปได้มันอายเหมือนกันอายตัวลู่ศึกตัวเพราะตัวลู่มันเป็นธรรมขว่าตัวหลอกหลอกให้สุขหลอกให้ทุกข์หลอกให้โกรธหลอกให้โลภหลอกให้ร้องหลอกให้ลักหลอกให้ชั่งหลอกให้เป็นไปต่างๆอาจจะมาสร้างตัวลู่ศึกตัวตัวลู่ศึกตัวตัวลู่ศึกตัวไปก่อนช้าๆได้ผ้าเล็บงาน การที่จะมาอยู่กับความรู้สึกตัวกับกายไปแน่มันเป็นการฝึกหัดให้นิ่มให้นวลให้เชื่อให้ชาให้ชาให้อ่อนโยนให้สุขุมให้รอบครอบมันก็ทำให้เกิดความรอบครอบได้ถะาพูดออกไปก็บามรู้สึกตัวมาทำให้รอบครอบทำให้เกิดปัญญา ถ้ามันตั้งไว้แล้วอะไรที่มันจะหลุดไปจากตนนี้มันก็กลายเป็นปัญญาไม่ใช่ปัญหาลาเ จ, ลจริญสติเจตนาสร้างจังหวะ ย, ยมือยกมือเคลื่อนไหวไปมามันเกิดอะไรขึ้นมาที่นอกจากการกาหนดรู้อยู่ที่กายถ้าดูดีๆมันก็เป็นปัญญาไม่ใช่ปัญหามันปวดมันเมื่อยก็รู้แล้วโอ้ผมปวดผมมื่ยมันสสกว่า กายน้อกาไม่ใช่สัตว์ปุกลตัวตนเราเขามันสุขมันทุกข์มันเจ็บมันปวดอะไรก็าตามที่ว่าเป็นสุขเป็นทุกข์ที่เรียกว่าเวทนามันก็เป็นปัญญาว่าเวทนาศักด์ว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์ปุกลตัวตนเราเขาเ อ, อ๋อมันแสดงทั้งจิตมันคิดไปพรุงปรุงแต่ ง, แ ต, งแต่งไปที่มันลักคิดบ้างที่มันเกิดอารมณ์ย่อมจิตบ้างเรเห็น จิตสวัสจิตไม่ใช่สัตว์ปุกลตัวตนเราเขาอ้าวความงงเอาฮะนอนที่มันเป็นธรรมที่มันครอบก ร, าาอรรมเราลองเลยสงสัยโอ้ทำก็สึกว่าทำรรมไม่ใช่สัตว์ปุกลตัวตนเราเขามีสติกลับมาดูเทกายมันก็เห็นนะแกลายเป็นปัญญาทั้งหมดเลยผ่านได้ไม่ตันถ้าเราไม่หลักแต่เราไม่มีหลักสิ่งเราเนี่ก็ตันไปเจอความ ควดขม่มวยไปเจอความยากไปอยากได้ความง่ายไปเจอความผิดไม่อยากให้มันผิดไปเจอความชิดไม่อยากให้มันชิดไปเจอความห่วงก็มไม่อยากให้มันง่วงมันไม่ใช่ในแต่สิ่งที่ทำให้เกิดการข้ามล่วงมันต้องเก่ง้าไม่เจอสิ่งเหล่านั้นมันไม่เก่งของนักเดินทางของผู้เรียนรู้ต้องมีประสบการณ์ คนผู้ทำงานก็ยอมในการผิดพลาดความผิดพลาดทำให้เราชำเลนชชำนานประสบการณ์ในการทำงานคนที่ไม่ทำอะไรเลยมันก็ไม่มีอะไรผิดเลยการปฏิบัติธรรมก็เหมอนกันเข้าค่ายเข้าสนามลงสนามฝึกซ้อมกานปฏิบัติซ้ ม, ม, ซมกายกับความรู้สึกตัวไม่อะไรมาแยกกับซ้มให้มันเกิด เข้ากับปาหากันเด็ซ่อมเอาไว้หลงที่ได้ลู่ที่ใดตรวจซ้อมแล้วลงสนามมันฉุกที่ใดมันทุกที่ไดบรรลุสืกตัวแล้วซ้อมแล้วซ่อมใช้ชํานาญในเรื่องความหลงกลายเป็นความลู่ความทุกข์กลายเป็นความลู่ความโกรธกลายเป็นความลู่ความกลัวกลายเป็นความลู่ปัญหาต่างๆความยากความง่ายกลายเป็นความลู่ชานาญในความรู้สึกตัวไปเกี่ยวข้องทุกเรื่องทุกข์เล่า มันก็ไปได้มันแล้วสิ่งที่ทำได้มันกันไม่ใช่ทำไมได้ว่าแต่เราอย่าผลผลผนแลนอย่าบู้บู้มบาๆอย่าเ ล, ลี้ยเพลีกหล่นหล่นคุรีคุจอจับจุด จ, จับจับจุดจุดผิดผิดถูกๆูกอย่าให้มันเป็นอย่างนั้นเหนือทุกอย่างมาเหนือเมฆ ค, ความรู้สึกตัวมันมาเหนือเมฆ ความรู้สึกตัวมันไม่เป็นอะไรไม่แต่ความรู้สึกตัวมันเหนือมันหลงก็รู้นะมันทุกข์ก็รู้รู้สึกมันโกรธก็รู้สึกมันยากก็รู้สึกมันง่ายก็รู้สึกความรู้สึกตัวมันไม่เป็นอะไรไม่ติดอะไรเหมือนกับใบบัวที่ลอยอยู่ในน้ํามันไม่ติดน้ํามันพืชออกหายขึ้นบนทธงฟ้าเวลาฝนตกลงมา แล้วก่อนนี่เห็นใบบัวใบบัวมันพ้นน้ำกระเบนนะมันพ้นน้ำก็โนะดูขึ้นไปใบมันก็ทำเป็นอ่างเป็นอ่างเหมือนชามใบบัวที่ไม่มีรูมีโูวฝนตกลงมาเ้านั่งอยู่ซาลาหน้ามสิมหน้าฝนตกต้องใส่ใบบัวมันก็มีโอกาสขังน้า พอมันข็งมากๆก็เอียงไปไหลออกโตก็ยืนขึ้นมาใหม่อะไรมันเต็มขึ้นมาอีกก็เอียงไปหน่อยๆไหลออกใบบัวยังแกวไม่ชุ่มไม่เปียกมันเป็นอย่างนั้นธรรมชาติที่มันเป็นธรรมชาติจริงๆวีวิตของที่เป็นธรมธรมะธรรมะมันก็เป็นอย่างนั้นนะ มันทุกข์มันก็เพื่อไม่ทุกข์มันล้มก็เพื่อไม่ลงมันโกรธมันก็เพื่อไม่โกรธมันกลัวก็เพื่อไม่กลัวมันมีอยู่แล้วอย่าไปจบลงไปตรงที่มันเป็นต้องเห็นมันความเป็นนี่ยมันเป็นอวิชชาเป็นเป็นวิชามันมืดมันบอดเพราะว่าที่เห็นเนี่ยมันลู่แก้งไม่มืดบอดมันพบเส้นพบทางคนทำไรไม่เป็นว่าแต่มาทำตรงเนี่ก็ทาเป็น ศึกษาเรื่องชีวิตของเราเป็นไปเองไม่เหมือนกับเราเรียนวิชาต่างๆต้องใช้สมองต้องใช้วัตถุต้องใช้เงินใช้ท้องต้องใช้โอกาสต้องมีเหตุปัจจัยหลายอย่างแต่ว่าการศึกษาชีวิตจริงๆเนี่ยเป็นยังไงมาก็ได้ว่าแต่มาจับตรงใหนเสียก่อนไปได้ทุกคนปัญหาก็เหมือนกันทุกคน ไม่ต่ำกันไม่กายก็ไม่กายเหมือนกันไม่จิตก็ไม่จิตเหมือนกันไม่ร้อนไม่หนาวไม่ยากไม่ง่ายมีเหมือนกันเราเห็นเหมือนเหมือนกันไม่มีใครไม่เห็นจะไปสําคัญมันหมายพว่าเราคนเดียวคนอื่นก็เหมือนกันเป็นพระอรหันต์แล้วก็ยังเห็นเหมือนเราเป็นพระพุทธเจ้าก็เห็นเหมือนเราไปทางเดียวกันกับพระพุทธเจ้าเดินทางไปกับพระอรหันต์ทั้งหลาย เดินสติก็มีสติเหมือนกันมีกายเหมือนกันเอากายมากำหนดรูปด้วยการรูปบัพเพ็ตต่างๆเดินจงกรมสร้างจงังหวะหายใจเข้าหายใจออกยืนเดินคู่เหยียดื่อนไว้เหมือนกันมีกิจมันก็ชิดเหมือนกันเราจะเปรียบเทียบแล้วสมัยข้างพระเจ้าควมเพลนเพียนีของเจะยากกลัวพวกเราเพราะอาระหันต่างลๆที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นยากกลัวพวกเราแน่นอน ไม่มีไฟฟ้าใช่ไม่มีปฏิศาลาไม่มีผ้าปูนั่งไม่มีเทคโนโลยีเหมือนพวกเราํำบากกับพวกเราพระพุทธเจ้าเวลาปฏิบัติธรรมอยู่ที่ใต้ต้นศรีมหาโพธิ์เราไม่ได้นั่งอยู่หอไตพระพองค์คงไม่นั่งแบบนี้อยู่ใต้ต้นโพธิ์จริงๆไปดูแล้วก็มีแท่นนั่งอยู่ตรงนั้นจริงๆแล้วก็ ฝนตกก็เปียกจริงๆแดดออกก็ร้อนจริงๆโยงก็บินมาลมก็พัดมางูก็เลื่อยมาอยู่ในป่าในดงก็ต้องเกิดอะไรขึ้นเมือนก็อยู่ที่นี่สมัยก่อนสามสิปีก่อนอที่รช่างมันก็มาเสือมันก็มางูมันก็เลื่อยมาทําท่าทําทางใส่เราเหมือนกันพวกเกงมันก็มายําเท้าใส่เราเห่าเรา อกช้ามันก็มาเป่าป่ า, ปาพิดพิดใส่เราปกเสือมก็ล้องตลอดคืน ป, ปีสอันห้าร้อสิบหนาวมากร้องตลอดคืนเสียงหมีกัดกันในมันเวลามันผสมพัน์เดือนพฤ ก, กี่กาเสียงกัดอยู่หาพึ่งบ้างเสียงกัดกันอยู่โพกลางบ้างเสียงกัดกันอยู่โพสามชั้นบ้างโอเคโกเกะตลอดคืน แล้วก็ถ้าเราให้ความเพ่งทำว่าจะไปคิดฟังอันนั้นกลัวอันนั้นชอบอันนั้นทีเสียงนกเสียงหนูเสียงอะไรดังตลอดึ้นบางทีมันเหมือนกับเสียงผู้เสียงคนปุ่มพอมปุ่มพํามามันเมือนก็เสียงรถแว่ารถมอเตอร์ไซค์มันมาได้ยังไงมาจอดอยู่ใต้ทุนกติเราเออตตเตตเตตเตตเตต แต่จริงไม่ใช่เสียงมิ้นมันสั่นขนเสียงต๊กแกตัวใหญ่คล้องคราวตัวใหญ่ๆเสียงนกแก่โตกลอยล้มแก้งแล้วแจ้งแล้วหลวงพ่อแจ้งแล้ววังเหมือนกับปรุงปูกแต่งแต่งไปเสียงนกก็ไรเสียงเห็นเสียงสัตว์ป่านี่เราก็อาจจะกลัวนะโอ้ยเงียบโอ้ยไม่ไหวไม่ไหว พระเจ้านั่งอยู่ใต้ต้นโพชิตถึงพิมพาราหุนเปรียบเทียบกับประสาทสามฤดูกับต้นศรีมหาโพธยทําไมเรามาอยู่นี่นาะสาวสนมกำนันในพิมพาราหุนพลอดชาววงศารวงศ์ทัพสินเสะดึงคาร่อนเดเคยเป็นสุขุมมารชาตมาอยู่อย่างไม่มีอะไรเน่ต้องคิดแน่นอนนะคิดแน่นอน แต่ว่าการคิดนั่นแหละทำให้เกิดญาณเกิดปัญญาจนได้สอนพวกเราว่ากายานุปสนาเวทา น, านุปสนาจิตตานุปสนาธรรมานุปสนานี่แหละเป็นหลักไปไนี่แล้วก็เห็นนิวันละทมเป็นภูเขาวขวงขันผมงอเหงาหอนนอนความคิดฟงสานพยาบาทการมราค มานะทิฏฐิสำคัญมันหมายว่าตัวว่าตนเกิดอะไรขึ้นก็ตัวตนกูโกรกูยากูก่ายเกี่ยวกับกายก็กูเกี่ยวกับใจก็กูมีแต่กูเต็มไปหมดความร้อนความหนาวก็กูความกลัวความกล้าก็กูกูกลัวกูไม่กลัวกูร้อนกูหนาวกูชอบกูไม่ชอบกูเต็มไปหมดเลยเพราะมารู้สึกตัวมันลื้อกูออกมันเห็นเข้าไปนะ พวกเรายัางมาแบบงดงดนำามาบางคนมาเป็นพ่อเป็นครัวเป็นผัวเป็นเมียเป็นลูกเป็นเต้าลูกชายมาบวชพ่อแม่มาด้วยลูกศิษย์ลูกหามาครูอาจารย์มาด้วยเพื่อนปรุงมาด้วยขับรถมาจอดปูดกติทําอย่างดีนี่ไฟว่าน้ำร้อนน้ำอุ่นอาหารการกินมีคนมาปรุงให้ไม่เงินไม่ทอง อยากอะไรก็หาหมากินกันได้แต่สมัยเครงพระพุทธเจ้าไม่มีเด็ดขาดถึงคราวที่อดอยากไปเป็นธรรบาดลงเลี่ยงมากก็ได้เข้าโพลกลากกินข้าวทั้งกลากเก๊าต้มลองดูสิ น, นั่นยังได้เกิดเป็นพระพุทธเจ้าจี่หมื่นจี่พันลูกเราเนี่โอ้ยข้าวกล้องอย่างดีอาหารอย่างดี ย, งง ย, ยังว่ายากยังว่าทาไม่ได้อยู่ มันจะไปเกิดพบไหนชาติไหนไปจะงู้ไปอีกกี่พบกี่ชาติเวลานี่ไม่ได้บรรลุธรรมก็หมดหวงังแล้ววันนี้ด้วยซ้าไปไม่รู้ศึกตัวเลยปล่อยให้ความเคิดย่อมยีตัวเองปล่อยให้ความกลัวความเคิดอะไรย่อมยีตัวเองไม่รู้ว่จะไปผุดไปเกิดที่ไหนไม่มีทางนี่แหละไม่เห็นอย่างนี้แหละมันเห็นของจริงนะนี่มันเกิดก็ได้เราดูเนะี่ะนี่แหละศึกษาของจริงศึกษาของจริง ไม่ใช่คิดทิศตุนดุดเราเดาคิดว่ามันจะเป็นอย่างโน้นคิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้อะไรเลก็ใช่ความคิดทั้งหุญไม่ใช่พอมาดูเขามีสติเข้าโอ้มันเห็นกับหูกับตามันก็ทํากับหูกับตาทํากับมือทําได้กับมือมันหลงไปกับวารู่ที่กายมันทําได้จริงจริงมันเคาะหัวเขาจริงจริงนี่นี่มันมั่นอย่างเนี้ยมันหลงปั๊บกลับอารู่อย่างนี่โอ้ยสมใจ สมน้ำหน้าความหลงก็ว่าสมน้ำหน้าความทุกข์ก็ได้สมน้ำหน้าความโกรธสมน้ำหน้ากิเลสตัณหามันทําอย่างสมจิตสมใจปฏิบัติทำทำกับมือของเราทำกับตัวของเราการกระทําของเราการกระทานี่แหละการกระทานี่แหละมันหลงก็กนะรู้ในเรื่อการกระทําแล้วไม่มีอะไรจะชัดเจนไปเท่ากับการปฏิบัติภาวนาในการศึกษาในโลกเนี่แม่นย่า เาจะเป็นวัตถุเหมือนหลวงพ่อเปรียบเทียบแต่ก่อ น, นี่เสาสาลาน้ำ ม, มันเอน็งสาราน้ามันเอน็นมันทำท่าจะล่มเราไปยกขึ้นดึงขึ้นเสริมเสาเปลี่ยนเสาแน่นตึบบิ้สมนําหน้ามันความไม่ดีความโสมเสาสาลาไก่สมัยก่อนปวกกินกัดเวลาขึ้นไปนั่งหกแกกหกแกกนั่งยกมือสร้างจะาไว้เฉยก็ ขยโยขยเยกแล้วเปลี่ยนเสะไหมตั้งต่อซะไหตึ๊บ Carwyn. แน่นตึ๊บตรงเว่ยอืมสบทำหน้ามันแล้วก็เปลี่ยนอย่างนั้นจริงๆการงานที่เราทําอะไรที่มันเสียหายทํำไมมันดีเนี่ยโอยนี่เหลวจริงๆรตัวการก็ทําจริงจริงต้องเปลี่ยนได้อย่างนี้นมันหลงเปลี่ยนเป็นตัวลู่อย่างเนี้ยมันทุกเปลี่ยนเป็นตัวลู่เนี่ยมันโกรธเปลี่ยนเป็นตัวลู่มันกลัวเปลี่ยนเป็นตัวลู่ลยลอย่างเนี้ย อวไรมันจะเก่งไปขนาดนี่เราไม่มีหดอกการศึกษาในโลกนะจึงมั่นใจเถอพวกเราหลวงพ่อก็สำลวัวสบายการสอนความจริงไม่หวังอะไรบริสุทธิ์แต่ความจริงแคน่นี้มันเอาให้กันไม่ได้ต้องประสบการณ์ต้องเป็นบทเรียนของท่านเองของตัวเราเองไปนั่งไปนอนอเฉยๆไม่ทําอะไรมันก็ได้แบบนั้นแหละมาทํางานก็ต้องทำท ำ, ทำงานเรียนก็ต้องเรียน ต้องประสบการณ์ไปเรื่อยๆมีสติไปเรื่อยๆสิ่งที่เราทํามันก็มีเจตนาลงไปตัวลู่ตัวหลงมันต่างกันอยู่ต่างกันอยู่ไม่มีคําถามความลู่สึกตัวเมื่อวางไว้วันเขาเมื่อเราอยู่ตรงไหนเราไม่มีคําถามเราลู่ของเราเองตะแคงมือเราก็ตะแคงลูง่เองยกมือก็ลู่เองไม่มีคําถามเวลาใดมันหลงเราก็ลู่เองเปลี่ยนความหลงเป็นความลู่เองแล้วก็เปลี่ยนได้ทุกคนนะ ไม่ใช่ไปถามฉันหลงหรือเปล่าเวลาเราลู้สุ่ตัวเราฉันลู้หรือเปล่าความหลงหมดไปเราหรืออย่างความลู้เกิดขึ้นแล้วหรืออย่างมันไม่มีคำถามมันมีแต่คาตอบมันมีแต่คาตอบตัวเราตอบเอวเองคนอื่นตอบให้ไม่ได้นี่คือของเก่งศึกษาของเก่งของเก่งแบบนี้เป็นสากลสากลแห่งธรรมจริงเก่งการปฏิบัต อย่าเอาลทัทธิอย่าเอาเนืกายอย่าเอาชาติอย่าเอาเพศวัยอย่าเอาอายุหนุ่มสาวเท่าแก่มาแบ่งมาปัน่นมันเป็นอันเดียวกันอยู่รู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สุดตัวน่ยจะไปอาศัยใครอาศัยตนอัตเถรตโนนทโถเรื่องอย่างที่ไม่ใช่อาศัยคนเรื่องอย่างนี้เราช่วยตัวเราได้ยกได้ยกพลขึ้นได้ห้ามล่วงได้ ความรู้สึกตัวข้ามได้ทั้งหมดในกายในใจเราถ้ารู้สึกตัวเป็นสิ่งที่ยกขนส่งออกได้ทั้งหมดเข้าถึงความรู้สึกตัวเข้าถึงความรู้สึกตัวได้ทั้งหมดมันจะเกิดแปดหมืนสี่พันเรื่องเกี่ยวกับกายกับใจเป็นความรู้สึกตัวได้ทั้งหมดเลยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้สัจธรรมมันเป็นอย่างนี้ถ้าไม่ใช่สัจธรรมก็เป็นอย่างอื่นไปถ้าความโกรธก็ต้องไปด่าไปทะเลาะวิวาทกัน ความโกรธมันต้องเป็นความไม่โกรธความทุกข์ก็ต้องเป็นความไม่ทุกข์ความกลัวก็ต้องเป็นความไม่กลัวอะไรก็ตามมันมีความชอบธรรมแล้วมีวิชาไปเอาวิชาเป็นผู้รู้เห็นมันรู้วิชาเห็นมันรู้ล่งมันแจ้งจนเห็นความรู้มันไม่รู้ก็เป็นผู้ไมร่รู้เราผู้ศึกษาก็ต้องเห็นมันไม่รู้มันสงบ ก็เห็นมันสงบมันไม่สงบก็เห็นมันไม่สงบมันเหนือจริงๆนะความรู้สึกตัวไม่มีอะไรที่จะหลอกความรู้สึกตัวได้แล้วก็เป็นปัญญาไปเรื่อยๆไปมีแต่ปัญญาอันไหนที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจเนี่ยมาเป็นปัญญาอะไรทั้งหมดแต่ถ้าเราไม่ศึกษามาเป็นความกลัวความกล้าความทุกข์ความสูขความยาความง่ายเป็นกิเลสตนะเป็นความโลภความโกรธความหลง อยู่ในพบในภมครอบมอมเราเอ่อมีปัญญาในเรื่องนี้ก็หลุดออกไปแล้วไม่มีอะไรครอบมามเราแล้วก็ถูกขังเอาสุ่มเหล็กมาขังไว้ตอนนี้เราเปิดสุ่มเหล็กออกไปไม่ถูกขังเป็นอิสระความรู้สึกตัวพาให้เราเป็นอิสระเกิดความเป็นธรรมชอบธรรมถ้าเราพบอย่างนี้แล้วนะ คมชอบทําที่เกิดขึ้นเกิดคนนั้นคนนี้ผมไปบอกไปสอนก่อนการสอนธรรมะนี่มันเป็นบุญในวัดเทศนาใหม่เกิดอเนกสงฆ์เกิดบุญมหาศาลธรรมะสวรรค์ใหม่ป้องธรรมก็เกิดปุญเกิดกุศลปังเรื่องชีวิตของเราปังธรรมก็คือฟังเรื่องชีวิตของเราปฏิบัติธรรมก็มาศึกษาเรื่องชีวิตของเรา เห็นทำก็มาเห็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเราปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นชีวิตของเราเห็นแล้วเห็นปัญหาต่างๆแก้ปัญหาต่างๆก็เป็นเรื่องของชีวิตของเราไม่ใช่ไปแก้อะไรที่ไหนไม่ใช่ไปมีโครงการมีอบรมคติไม่ใช่แบบนั้นมันหลงทำห้เกิดมีความรู้ปัญหามันมันทุกข์ทำไมเกิดมีความรู้สึกตัวมันอะไรเกิดขึ้นทำไมเกิดความรู้สึกตัวนะ นี่เป็นการแก้ปัญหาเป็นการเห็นปัญหาเป็นการเฉลยปัญหาไม่ใช่ข้อเขียนเฉลยไปไม่ใช่อย่างนั้นเราก็เคยเรียนแบบนั้นเหมือนกันก็ตอบได้ได้สอบผ่านได้นักทำชั้นตีชั้นโทชั้นเอกสอบผ่านได้เขาถามอะไรตอบได้นะก็เป็นการศึกษาอันหนึ่งองีแต่ว่ามันไม่ตอบมันไม่เปลี่ยนมันกับการปฏิบัติธรรมเช่นในหนังสือสอนธรรมะ ธรรมวิภาคปริเคตที่หนึ่งเพราะว่าทำอุปการละมากค ต, ติความระลึกได้สำเภชัญญะความรู้ตัวทามันทําให้งามสองอย่างหนึ่งคันติความอดทนสองโศลเจาะความเสียเหยมบุคคลหายได้ยากสองอย่างหนึ่งปุภากรีบุคคลผู้รู้ปกาศละก่อนสองกตัญโยกตเวทีบุคคลผู้รู้ปกาละที่ท่านทําแล้วตอบตอบแทนว่าตอบได้แต่ว่าเมื่อมาปฏิบัติแล้วมันไม่ใช่อยู่ในหนังสือโอ้ สติความเลืกเล่อนี workout, book, him, ่เคลื oh, mm ่อนไหวปั <Lao> ่นมามันละเลึอกได้่อรู้สึกละเลือกได้ไม่ใช่คําพูดสักหน่อยเป็นการสัมผัสเราเวลามันหลงละเลือกได้ขึ้นมารู้สึกตัวเวลามันโกรธละเลือกได้ขึ้นมารู้สึกตัวเวลามันทุกข์ละเลือกได้รู้สึกตัวเวลามันกลัวละเลือกได้รู้สึกตัวโอ้นี่เป็นสติสัมปชัญญะเหมือนพ่อเหมือนแม่นะเนี่ยมันช่วยเราจริงจริงอุปการะต่อเราจริงจริงอุปการะในกายในใจเราเนี่ย ยกออกมาได้พ่นออกไปได้อุปการะเนี่โอ้ยเหมือนพอ่อเหมือนแม่นะพระเจ้าจึงตั้งชื่อทำเหล่านี่ว่าอุปการะมากเปรียบเสมือนพอ่อเหมือนแม่แต่พ่อแม่ก็ไม่ได้อยู่กับเราปานความรู้สึกตัวช่วยเราช่วยเรานี่ยแหละสิ่งที่จะมาช่วยเราเราก็ต้องทําให้มหรู้สึกให้ ล, ลึกได้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้านการปฏิบัติธรรมแล้วพวกเราก็ มีจำนวนมากก็ค่อยเป็นค่อยไปขยับขยื่นค่อยไปฝึกหัดไปค่อยสอดค่อยแทรกค่อยวางตัววางใจไปเรื่อยๆบางทีอาจจะมาอยู่ที่ใหม่ๆไม่เคยชินต่อสิ่งแวดร่วมแบบนี้ก็อาจจะเกิดอะไรก็อย่าไปหลังเลสงสัยค่อยสอดค่อยแทรกเย็นใจไว้รอได้ค่อยได้ปรับเตอะปรับตัวเอาไว้มันค่อยเป็นไปมันเป็นไปได้ เป็นไปได้ชีวิตของเรามันพัฒนาได้ปรับเนือ้อปรับตัวปรับกายปรับจิตค่คอยเดินค่อยดูตัวเองค่อยดูคนอื่นค่อยช่วยตัวเองค่อยช่วยคนอื่นได้วก็แต่พวกเราที่อยู่นี่คิดเสมอว่าพวกเราที่มีอยู่ในธรรมวินัยทั้งหลายธรรมวินัยของพระเจ้าเนี่ยผูเที่ยงไม่มาขอให้มาสู่อาวาสของเราเป็นความคิดของ ผู้ที่อยู่ผู้ที่ปฏิบัติทำ ม, มีความคิดแบบนี้ขนขวยแบบนี้การที่เตรียมเสนาสะนะสัพยะทั้งหลายก็เพื่อการนี้ผู้ที่ยังไม่มาขอให้มาสู่อาวาสของเราผู้ที่มาแล้วขอให้อยู่เป็นสุขเป็นศุขเราคิดแบบนี้ผู้ที่สร้างกติอย่างโคนสุกัญญาพิสุโลกประมาสร้างกติไว้เราว่า ถ้ามีคนมาพักติเขาเขาก็ได้บุญเหมือนธนาคารออกดอกที่ฝากไว้มีคนมาใช่มีคนมาพักมีคนมาอยู่เขาก็ได้บุญทุกครั้งไปผู้ที่มีกิจศรัทธามาสร้างกติเขาก็ได้บุญเมื่อเรามาใช้แล้วมริกิตหลายๆคนที่มาสร้างหมอประสาทตั้งไม้มาสร้างไเขาก็ได้บุญเรามาใช้ จะ ไ, ไปขยัข ย, ยังพู้บริจาคอาหารการกินเขาก็ได้บุญเขาก็ได้บุญเพราะนั้นเราจึงไม่มีอะไรที่ขวงกันไม่มีอะไรที่หวงหึงไว้บริโภคคนเดียวไม่ใช่เพื่อทุกคนเพื่อประโยชน์เพื่อกลุ่เป็นอย่างนี้สุขโตสุขโตแล้วก็สร้างขึ้นมาเพื่อการนี่โดยตรงไม่ได้อย่างก็ไม่เป็นอย่างอืง่นถ้า มีผู้มาปฏิบัติมีผู้มาอยู่คําเพียสรสมาธรรมก็สมปรารถนาของผู้มาสร้างวัดสร้างว่าสมปรารถนาของผู้ที่อยู่เพื่อศึกษาเรื่องงานเรื่องการณัแน่ขอจงอยู่สบายสบายช่อยเป็นค่อยไปอย่าลุกลี้ลุกลนอย่าให้ใจมันเล่ามันร้อนเกินไปมันร้อนใจก็เย็นไว้รอได้คอยได้ไปนะนำ ต้องฝึกหัดไปอย่างนี้แนละ้มันร้อนเอาเย็นไปใส่มันยากเอาง่ายไปใส่มันทุกข์เอาไม่ทุกข์ไปใส่มันหลงเอาไม่หลงไปใส่มันมีทางแบบนั้นการฝึกต น, นยอย่าไปจบลงกับปัญหาปัญหามันก็เป็นปัญญาได้นี่ก็พูดให้ฟังพูดให้ฟังวิธีปฏิบัติเราก็ประสบการณ์เขก็ตอบได้เวลาเราเกิดอะไรขึ้นไม่มีใครเห็นกับเราเราหลง ต่อท่านผู้หลงก็เห็นความหลงของตัวเองเราก็เปลี่ยนความหลงเป็นความรู้ของตัวเราเองเวลามันทุกข์ท่านก็ทุกข์ก็เองท่านก็เปลี่ยนความทุกข์ให้เป็นความรู้สึกตัวเราเองมันเป็นอย่างนั้นการปฏิบัติมันเฉพาะหน้ามันเป็นบัตรตังของใครของมันไม่ใช่จะเป็นครูบาอาจารย์ที่คิดช่วยท่านมันก็ไม่เห็นมันตัวท่านแต่ถ้าลูกของตัวเมื่อท่านมาบอกเราก็าจะช่วยขี้แจงให้ บางทีเราก็ขี้แกงเองเทศนาเองการปฏิบัติทำมันเป็นเทศนาใหม่มันเป็นธรรมะสวนไหนามาใหม่ไปในตัวมันก็เราเทศแจกแกงเห็นรูปสึกตัวมันก็เห็นโน่นเห็นนี่โอ้ผมรูปสืบตัวเป็นอย่างนี้ผมหลงไปอย่างนี้กลับมารูปสืบตัวทำไงเทศนาสอนตัวเราแล้วเอาจริงๆก็คือสอนตัวเรานี่ยแหละพวกเราก็เพียงเป็นกัลยาณมิตรที่ สนับสนุนที่เอื้ออำนวยที่สร้างให้สิ่งแวดล้อมช่วยกัน